ประเทศเรื่องเกลียดเกลียดตายก็เป็นประเทศปรอเทร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราจาัดประเนี้ได้ก็ไม่เป็นปัญหาคนที่วุ่นวายนีไไไ้ไม่ได้เป็นร่างกายคนที่วุ่นวายนี้เป็นใจแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรสำรับร่างกายกาย็เมาสมเหมอนน้ำกับแก้วน้ำน้ำก็เป็นอย่างนี้แก้วน้ำก็เป็นอย่างเดดมาอยู่ด้วยกันมนที่เดียวกั แตยก็เป็นเป็นเหมือนเหมืนร่างกายี่เป็นมนแก้วเป็นาชนะแก้วนี่มีอายุขัขถ้าเขาใช้ยามาเขาเขาก็ต้องเสื่อหมดน้ำไปเมือเท่านแต่น้าก็ไม่ได้เสื่อหมดไปกับแก้วไปไหนเราก็หาแก้วไหน่มาสแทนก็ทำอยางนี้ตลอด ถ้่เราพิจารณาเรื่อยๆแยกใจให้ออกสากลเรื่อให้ใจคิดว่าการไม่ใช่เราไม่พอตัวเราของเราเราเป็นจะมาอาศายกายอยู่ในลาอาศัยเสื้อผ้าอยู่เสื้อผ้าก็ใช้สายไปแล้วมันก็ต้องขาดขาดก็ต้องเกิด่นเสื้อผ้าทหมดเพราะน้เองคนใส่ไม่ได้ไปเป็นอย่างจากเสื้อาทุกห แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่ไม่เติมสติไม่คอยสอนใจความหลงมันก็จะหล่อให้เราคิดว่าร่างกายคือตัวเราของเราแล้วก็ร่างกายของผู้ที่เกี่ยวข้ อ, ของกับเราก็เป็นตัวเขาเวลาร่างกายเป็นอวัยวะใจก็คิดว่าเขาเป็นแต่เนื่องแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นาาอวัยวะใจกับร่างกายร่างกายกับารของแต่คนเป็นเหมือนกันหมด ใจของทุกคนนี้ย่งไม่ตายราคายของทุกคนนี้ยังตายทำอย่างไรก็ไม่คนรจะทุกข์จะวุ่นว า, ายใจอย่างไรมันก็ไปยับย้งควาตายไม้ได้ยับย้งความแก่ไม่ได้อย่างาที่อถ้าไม่เชื่อไม่ฟังถ้าปล่อยได้ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมป็จเห็นว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมใีการดับไปเป็นธรรมดา ผู้ที่รู้นี่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เกิดไม่ได้แอบใส่กับผู้ที่ผู้รู้ผรนี่รับมือผู้รู้เนี่ยมีตัวเดีย ว, วนในจักรวาลในการพบนี่ะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็ดไม่ตายผู้รู้นี่หละเป็นผู้ที่ถาวรแต่ถูกอภิชาทานอยมมาครอบงำ ทำอาจจะขบผิดกับสิ่งที่ไม่ที่ร่างเท้าโด น, นแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งนั้นไปกลายเป็นร่างกายแต่พอ ร, ร่างกายจะนายกา็้าตกใจคิดว่าเสน่ห์จะเป็นไปกับร่างกายดังนั้นวิธีที่จะทําให้ใ ห, ให้ให้ไม่ทุกก็ถือต้องพยายามพิจารณาอรด้วย ไทยร็สอนว่าชีวิตแล้วมันเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ตัวความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัฒนาจากคนที่รักจากคนที่รักไปเป็นธรรมดานี่จะเป็นการภาวนาในลักษณะนี้จะท่องไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเห็นไทยก็หลอกว่าจะต้องจากกันนะแต่ที่จากกันนั้นก็คือจากกันสองแบบ ใจก็ไปไปส่วนของใจร่างกายก็เปส่วนของร่างกายร่าการมาจากอะไรร่างกายก็กลับเป็นส่วนส่วนหน้าของเํารางกายมาจากเลือดเน้อลไปเขาก็กลับไป็นส่นเล้นือไปใจมาํอบุญกับกรรมก็ไปําบุญกับกรรมตอบจกว่าจะหมดยิ่งหมดกรนก็จะไม่ต้องไปไห ผู้ที่ละละบุญละบาปา่ก็เป็นผู้ที่อยู่พ้นจากการจากการที่ต้องไปเกิดต่อไปก็มีผู้มีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารตะสารทั้งหลายที่ได้พยนยามตะเกียกตะกายประพฤติปฏิบัติทำรดละตัดความโลกความโกรธความเหงา ัความสุดทางตาหูจหมูกนิ้นกายตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่พอสามได้แล้วก็ใจก็จะหมดไอยากไปฝืนธรรมชาติอยากประยากให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นอยากปรยากให้ตาเฉยหยุดยืนดงเรียน อยากให้ภาสิทธิ์อยู่อยู่ตรงจุด he นี้ตลอดวันตลอดเวลาเขาหยุดไม่ได er ้เขาก็ต well ้องหมุนไปเขาก็ต้องเรียนไปร่างกายของเราจะต้อเหนี่ยวขันใจของเราต้องหมุนไปกับบุกับกรรมหมุไปในวรฏจักรแห่งการเกิดว่าตายถ้าํามได้เรานังไม่หยุดตัวที่ผลันใจให้เราไปในว่าจากเกิดก็คือ ทือปัญหาการมาปัญหาความอยากในรูปเสียงจิตนิพพะเพราะปัญหาความอยางมีเป็นนานอยากมีอยากเป็นอยากเล่าอยากรวอยากมีแต่ความสุขวิันาวิปัสปัญหาความอยากความอยากไม่แก่อยาไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ท่นนี้มัน คืนธรรมชาติเพาะเราอยูในโลกของความทุกข์สุข ท, งขทังทุกไม่ใช่มีแต่สุกอย่างเดสุกก็เ่ทุกก็น่เพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> เราต้องไม่ไมเป็นอยากึดไม่จะยินดียินร้ายกับความสุขและความทุกข์ความสุขก็ไม่ยินดีความทุกข์ก็ไม่ยินร้ายไม่ลอเกลีย ถ้าทำใจให้เพียงแต่รับรู้รับสัมผัสรับประปวันได้ใจก็จะไม่ไม่ทุกรับได้กับทุสกสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีแค่นี้เองที่รับไม่ได้เพราะหนึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาถึงความเป็นจริงของสิ่งใดที่ใจมา ส, สัมผัสรับรู้ Да. เราไม่ได้ปฏิบัติให้เป mm. ็นปายทางผ่านถิ่นนั้นไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราหยุดไว้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไปกับใจจีตเวลาเราจะต้องปยายามอยาไปหยุดอยากไปติดเหมือนกับเวลาที่เราไปนิมเข้าของของต่างๆเข้ามาใช้เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยึดพอเราใช้ของเสร็จเราก็รีบกอกไปคืนของ พอคืนขรับแล้วเราก็สบายใจหมดภาระไปเก็บของเขาไว้กับเป็นภาระต้องมาค อ, อยดูแลรักษาทุกสิ่งยุอย่างที่เรามีอย่ น, น, น, น, น, นี้น้ำตั้งแต่ร่างกายมาเนี่ยก็เป็นของเยืงคนอั่น้นร่างกายก็ยืมมาจากมน้ำไปพอพอจะนานจบัวออกข้าดออกมา ก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคงนี้มาเป็นสมบัติได้พ่อได้แม่นด้เพื่อนได้น้องได้เลื่อนได้สามีได้ภรรยาั่้อยู่ได้ธินาได้สมบัติข้าของเงินทองได้ทำใหญ่หน้การยืมย่องสเสพได้ความสุขเพื่อนสัมปันได้าหูมูกจกร การดันเพียงของชั่วคราวนั้นตัวอย่างใ น, นที่จุดมันก็ต้องมีวันจบสิ้นไปงานนี้ยังมีวันวันสิ่งสุดแต่จิตเราไม่ยอไม่สิสุดจิเราถ้ายังมีความอยากยงชอบงานนี้ยูก็ไปหาหงานเลนที่ใหม่ไปหาแ่ไปเกิดให่ก็เลยต้องยังต้องไปใว่าตาเกิด ถ้าไปด้วยบุญก็อย่างน้อยก็ยังไปดีคือไปได้รับทานถุกมากกว่าผ่านถึกได้เป็นเกิดเป็นเทศได้เป็นครมากเป็นพระอริยบุคคลข้ามต่างๆมากอันนี้ก็เรียกว่าไปดีแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็ยังต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายความเสีย เป็นทก็ต้องเสื่อมจากสภาพของเทพไปเป็นทองก็ต้องเสื่อมจากสภาพของทองไปเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่เป็นถึงขั้นพาาาระอรหันต์เมื่อแก่เมื่ อ, อตายไปแล้วก็ยังต้องกลับไปเกิดเป็นพระอริยะมุขคนท่านอื่นๆที่เราใช้เป็นทั้นของพระอรหันต์เกิดม้นก็ยังต้องแก่ต้องเจ็ต้องตายก็กยังต้องทุกกราหมานใจเวลาที่ร่างกาย ญญเก็บไข้ได้ปวดในร่างการถึงกับตายตปแต่จะไม่ทุกข์มากเหมือนกับลุทุกข์นธรรมดาที่ไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาที่ที่จะคอยตัดความยืดความตุดต่างๆอย่างเวลามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัว เ, เองหรือเกิดขึ้นกับคนใกลุ้ิดเราเราก็ ถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็แสดงว่าเรายังยึดติดเขาอยู่บางท่านที่เราจะ้ศึกษาให้ความเท็จความธรรมตลอดแต่อาจจะฟังแบบไม่เข้าใจเหมือนที่เมื่อเช้านี้ได้เชื่อมาฟังแบบไทไม่ได้สดจ่อถ้าอาจารย์ศึกษาแล้วพิจารณาตามทุกคำู้ที่พูวนี้จะมันจะจมขวางอยู่ในใจแล้วมันจะนิดปัญญาทางของการปฏิบัติ เวลาเห็นใครมองเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรนี้จะคอยเตือนสติอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุดมันเป็นความสุขเพยงชื่อขณะที่ได้สัมผัสีิได้มาแต่มันจะเป็นความทุกข์มาหันเวลาที่ต้องสียเสียพอไ ป, ไ ม, ปอมันไม่ใช่กันของเราไม่ใช่ตัวเรา นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสอนใจเราแทบทุกตัวหมายใจก็เถึงจะทนกับค ว, ความหลงเพราะความหลงก็ทํางานอยู่ทุกททตัวหายใจก็พอเราไม่คิดตั้งมันก็จะคิดว่าเป็นตัวเราของเราเองแล้วก็คิดว่าจะให้ความคิดกับเรานี่คือ <c oughs> การปฏิบัติท่าหลยากจะปฏิบัติได้ที่ว่าไม่ให้ความทุกเข้ามาหมออยุดยั้ได้ก็ต้องพิจาราทุกลมหายใจเข้าออกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของช่วคราวเป็คนของอยู่เข้ามาแ้าะของก็จะมาเอาเกินเมื่าต้องไม่มีไม่มีแค่เลยวิธีที่ไม่ประมาท ก, ก็คือต้องเตียพร้ให้เขาออกไปแม้ทุกเวลา ที่อย่างนี้แล้วพออะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับสิ่งใดก็ตามก็จะไม่พุ่งหวาดใจแต่ต้องคิดอยู่ตลอดเลยนะคิดไปกระช้ม่มันมันปล่อยได้พอมันปล่อยได้แนละ้วมันี้ไม่ต้องคิดก็ได้เพื่อมันฟังอยู่ในใจนะมันไม่ยึดไม่ติแนละ้วมันเฉยเชยกับทุกสิ่งที่อย่างนะตอนนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดก็ะ ก็ต้องพิจารณต้องี่ทีหนึ่งก็คือต้องจับสิ่งที่เรารักเราหวงไปให้ได้ยกให้คนอื่นไปของอะไรที่ไม่จำเป็นต่อการนำรงชีวิตแต่เรายังรักยังห่วงอยู่ก็เอาไปให้คนอื่นไปถ้าทำได้แล้วก็แสดงว่าเราก็จับได้แล้วก็ต้อง ทดสอบต่วเองหลายอ ย, าออย่างด้กันถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่แน่ใจกับร่างกายของเราอย่างเราก็าาต้องไปทดสอยเองแต่อยู่ที่มันมีความเปี่ยนเปลี่ยนจาความเป็นความตายอยู่เพื่อไปตามสถานที่ที่เรามีความกลัวเราไปดู่ว่าเราจะดับความกลัวนั้นได้หรือไม่ความกลัว เกิดจากความยึติดความโหงเหนในร่างกายในชีวิตถ้าเรายอมตายยอมให้ยอมรับความจริงว่ามันต้องตายได้ไมัต้องตาเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่าน้แต่ตอนนี้เราไม่อยากจะอรอเาอยากจะพิสูจหรือว่าเราจะปล่อยได้หรือไม่มันก็ไ ป, ปอยู่เน้ในใกับสถานที่ที่เรา ในสถานที่ที่เรามีความกลัวเป็นดึงในปากจ้าไปอยู่ในปากนามข้อง ค, คืนก็ลองออกมาเดินเที่ยวในตาเดียวทีเดียวฉายไปบ้างก็ได้ไม่ฉายก็ได้ถ้าไม่้ายถ้าเดิเนไปเหยียดมืจะไปโดนอะไรกลับแค่ปล่อยให้รถกลับไปดึให้มันเลื่ความกลัวออกมาให้ได้เหมือกับเลืกอนหนอง พอเรืองความกลัวมาได้แล้วก็ที่จะจะอยู่ที่ไหนย่อมจะเป็นปัญหาถ้าถ้าถ้าใจปล่อยหน้าตายได้เท่านันก็จะหากลัวถ้าใจ ม, มันย้อนได้ร่างกายนี้ตายไาด้ก็เป็นปัญหาแต่ารกระทำนี้ไม่ได้เป็นการเฆ้าตัวตายในต่างกันแต่นี้เป็นกเราตันอยู่ในฐานที่ที่มัน เปลี่ยนต่อความเป็นความตายแล้วก็ให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วความกลัวนี้เราก็เอาธรรมะเข้ามาดับด้วยการพิจารณาว่าร่างกายนีเครียดมีการเึล่อนและก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาถ้าปล่อยได้ความกลัวก็จะหายไปแล้ว ถ้าเราปล่อยร่างกายเราได้แล้วร่างกายของคนอเราก็ปล่อยได้เพราะเราไม่มีใครรร่างกายของเรามากแต่ตัวเองเรารักร่างกายของเรามากเราเรารักร่างกายของคนอื่นถ้าเราปล่อยร่างกายของเราได้แล้วร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่างกายของคนอื hmm ่นเขาจะจะเป็นกระจายอย่างไรนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาเลยมันต้องต้องปฏิบัติเบืองต้นก็ต้อง ของการบ้านคือพิจารณาอยู่ในเมืพิจารณาเรื่องวันวันหนึ่งยาป่อยให้เวลาผ่านไปเลยแม้แต่พิจารณาความตายอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอนอให้พิจารณาคางกายทุกลงหายใจเท่าหพิจารณาเป็นติดเป็นนสัยแล้วมันจะมีมีเสียงเตือนใจเสียเตือนใจไม่ให้ไปยึดเพราะความยึดติดนี้มันเป็นต้นเหตุของความยึด ทุกทรมาร์ยายนะความตายนี้ไม่เป็นสิ่งที่ทำลมาราใจแต่ความไปยึดติด ก, กับร่างกายนี้เป็นความทุกข์ต่อละมารใจถ้าเราปล่อยวางหน้าความทุกข์ตมารใจทั้งหมดไปคือร่งางกายเขาก็เขาก็อยูข่ของเขาไปเขาจะอยู่หรือเขาจะตายก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับอาจารย์ไป ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์อย่างมีกันทธาระผูกพันต่อกันต่ายก็ต่างทำหน้าที่เป็นต่างมีหน้าที่มีดูแลักษาล่างกายก็ดูแลไปล่างกายมีหน้ที่รับใช้ใจให้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ทําสแต่างอย่างใจและกายของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์เท่านั้นท่านก็ทําคนอย่างนี้ ใจก็เป็นคนสั่งใ์ใครร่างกายแตะโถยญาตโยไประสอนธรรมะใจก็คอยดูนารักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามอัตภาพแต่ก็ไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปได้ตลอดเนื้อใจของพระพุทธเจ้าเองก็เพียงแค่แต่สิบปีเท่้ในใีย เรื่องของรางกายเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของธรรมะกัรของของกิเลยของคนที่มีธรรมะก็เป็นก็ก็เป็นแบบนี้ของคนที่มีธรรมะก็เป็นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวอะไรธรรมะนี่มันเรื่องของใจมัอยู่ในใจกิเลยก็อยู่ในใจถ้ามีธรรมะมากกว่ากิเลสก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์ามีกิเลสมากกว่าธรรมะ ก็จะมีความกมากกว่ามากกว่าความสุกเพราะกิเลสจะเป็นตัวสร้างความทึกพอเกิดความอยากแล้วใจ ก, ก็ไม่สงบพอใจไม่สงบแล้วใจ ก, ก็เริ่มเริ่มทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามาดูแลใจของเราเพราะปัญหามันอยู่ที่ ใ, ใจของเราอยู่ที่ไม่สงบ อยู่ที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใจควรจะไปยึดไปติดแต่ควรไปเครื่งพาอาศัยให้ความสุขกับใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี้ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิแต่คนที่ติดนะครวก็ อยู่มีปราศจากยาเสติดก็ไนะต้องมีเวลาไม่มีลนะทุกทรมาใ จ, จแต่คนที่ไม่ติดนี่เขาไม่ต้องมีเขาก็อยู่นะพเรานี่ก็ยังติดยาเสติดกนอยาเสติดของพวาเราจะรูกเสียงเ ก, ก่งลดปวกระพะยังต้องดูต้องฟังต้องดมเปลิ่นต้องเล่นลดต้องทั้งใสครับ สิ่งตางๆที่มาสัมผัสกับกายข้าเป็นในลักษณะที่ชอบอกชอบใจถ้าเป็นสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ถูกอกถูใจก็ทุกข์แต่ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันเลยไม่ไปหาความสุสทมขทางกาหนจมูกนใจเลยก็จะไม่ต้องทุกกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหนจมูกหินกาย หรือถ้าไม่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่อยากจะสัมผัสก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่เหนความอยากที่จะสัมผั ส, ส น, นั้นการมาสันทานนี่ยคือคืออยากแตะติดของของผู้ทุกข์รารของผู้ที่ยังไม่สามารถนะลันหน้าผู้ทีจละการมาสันทาได้นี้ต้องเป็นพระ อริยขั้นที่สามเลยนะคือท่านพระอนาคามีนะพระปฏิราช า, ามีพระโสดาบันนี้ท่านก็ยังมีการมฐา น, นท่าอีกท่านยังมีการมาราคะอยังมีความดีในรสของการมอย่างแต่ว่าท่านจะไม่แฉลหาการมารสเหล่านี้ด้วยวิธีที่ ผิดสิ่งผิดทางเอเชียท่านจะไม่ไปกับพฤผิดประเวณีเพื่อที่จะได้เสด็กับความสุขทางกลางนี้ถ้าจะหาความสุขก็จะหาความสุขกับถามมีภาระของตนเองคู่ความขงตนเองถ้าไม่มีก็ไปรลบไปสืบขอไปสืบขอให้สถูกตัวเองจะไม่ทำผิดผิดถึงโดยลอทาง แต่ถ้าได้เจริญปัสสุขากรรมฐานได้สัดัการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิจกายด้วยการสํารวมอินทรีย์ำรวมอินทีก็คือน้ำรว ม, มตาหูจมูกนิจกายไม่ให้ใจสัมผัสจัรูปเสียงกว่การสสัตวที่ที่ชอบที่ทำให้เกิด ขึ้นมาอย่างัวกที่ถือสีลแปดอันี้เลว่าเป็นพวกที่เ่็นพวกที่สำนวนจริงๆนี่คำว่าแปลว่าการออกจากกางมุสุกางมุสุก็คือไม่สบายตาปัาว้ามสบาาอาบปัสสาวอย่าพากัหมดนจะ เพาความสุขของใจนี้เป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่เป็นของเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครมาให้ความสุขมาถ้าความสุขทางตาหูจมูนยิ้มการยก็ต้องอาศัยตาหูจมูกยิ้กายอาศายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกอบอกถูกใจถ้าเป็นสัมผัสน รู้เสียงจนลดโกรธสะพ้ที่ไม่ถูกปกตใจก็การบำบัดที่ดีต้องเป็นผู้เสียงจนลดโกรธสะพ้าที่ถูกปกติใจด้วยแต่ถ้าทําใจให้สงบได้ด้วยอินบายแห่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธหรืออ า, านาปณะสติเมืองหายใจเข้อาออกหรือการชวดมวลหรือการทำเที่มมททความธรรมซึ่งจะได้รับความใจสงบในระดับต่างๆกันไปนี้ เขาจะทําให้เกิดความสุขความสุกขึ้นมาในใจในระในระดับต่างๆแล้วก็จะพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆพอเห็นแล้วว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่จะอยู่ที่ไหนไื่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดร่างกายจะเจ็บไข้แน่ป่วยจะเป็นจะตายก็ยังมีความสุขทางใจได้ ถ้ารู้จักที่ทีาทำรให้สงบแล้วถ้าเราอยากที่จะไม่มีความทุกความวุ่นวายใจกับเรื่องของร่างกายเราก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามสำรวอินทรีย์รักษาสิ่งแต่แล้วก็พยายามภาวนา ทมจิตใาให้สนบให้มากๆปัจจัยหรือธรรมที่จะช่วยทำให้จิตสงบได้ ก, ก็คือสติสติก็คือการดึงจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้จิตนอนไปนอนมาถ้าเป็นเรือถ้าจิตเป็นเรือก็เหมือนกับจิตกเต้องมีสมอไว้ทอดหรือมีเชื่อไกไว้ขูดไว้ขับท่าเรือ ถ้าไม่มีเชื่อกผูกไว้กระถางเงนหรือน้าไหลมาแหงนเงินเรก็จะหลั่ไปตามกระแสน้ำเงิาจะไม่สามารถจากที่ท่ารับขนถ่าสินค้าหีือคนขึ่นงได้ต้องมีต้องมีเชื่อกผูกเอาไว้เรื่องท้องท่อสมองเรือนี่แหละเชือกนี้สมอเรือนี้ก็คือสตินี่สติคือเชื่อส่วนกรรมฐานก็คือเสาลดตัวสมอ ถ้าสองอย่างต้องอืถ้าเชื่อมีมีเชื่อแต่เชื่อไม่แข็งแรงเชื่อเป็นเชื่อเท่นเ ล, ล็ก็ก็อาจสกัดได้บางที เ, เนื่นเจริญพัฒนาสติในหมน่ๆจะเป็นเหมือนเชื่อเท่นเ ล, ล็กเล็กไว้หน้ า, าเดียวเดียวพอกระแสน้ำไหลามาแรงแรหน่อยก็ขาดไปแต่ถ้าบาันเจริญสติอีกเรื่อยๆ ได้แล้วต่อไปสติก็จะแก็กว่าที่จะมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถที่จะดึงให้ใจให้อยู่ในปบสิบันได้ถ้าจะให้ใจอยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธถ้าให้อยู่กับอานาปานสติอยู่กับลมหายชใยเข่าออกก็จะอยู่กับลมหายใจเท้าออกแล้วเมื่อใจอยู่กับลมหายชใจนี่อยู่กับพุทโธเดินไปคิดเรื่องนเรื่องนี้ ใจก็จะเดินเข้าสูา่ความสงบรวมก็จะรวมลงงุบ ล, ลงไปบบาำลังท่านก็มีสติอยู่ดีนั่งไม่งานถ้านาทีสิบนาทีก็มีได้เมื่อปัญหาที่เรานั่งจนเป็นชั่วโมงหรือเป่นนาทีแล้วไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบได้เพราะว่าเราไม่มีสติพอนั่นไม่สามารถบังคับใจให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่อง มีได้เพียงไม่นขีวินาทีก็วัดแล้วหรือ เ, เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้ตสอเข้ามาแยกเข้ามาแล้วเราก็ไปสนทนากับเรื่องนั้นเรื่องนี้น่งไปก็มีแต่อาการของการนั่งแต่อาการของปัจจัปฏิบัติมีนม่มีั่นก็เลยไม่ได้ผลว่าไม่มีเหตุผลนั่งยาวไม่เกิดขึ้น ก็คือต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานอ น, นาปาญสติอ น, นาปัญก็แปลว่าลมลมเข้าลมออกอ น, นาปาัะ น, านี้ก็เป็นกรรมฐานสติก็คือเชื่อที่จะพูพกผูกจิตให้อยู่กับับอารมณ์อะไรเพราฉะนั้นเราต้องพยายามเกิดขั้นสติอยู่ทุกระยะ พราเราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะอืู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไ ร, ท, ท, ร, ท, ระทั้งหลายเราทำเราจะเดินสติหน้าตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราเกิดขึ้นมาเลยพอเรายุกขึ้นมา น, นี้เราก็ต้องมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ใช่ให้ร่างกายเดินไปเข้าห้องน้แต่น้างหน้าล้างตาการ ป, ปันแก้ใจเข้าไปนยืดไปที่ทํา ง, งานเนี่ยทุกอย การเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมือคืนนี้อย่างนี้แม้ว่าไม่มีสติถ้ามีสติใจกับกายต่อไปคู่กันเป็นเหมือนกับคู่รักกันทามีปัญญากันกายอยู่ที่ไหนใจก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะมีสติถ้ามีสติแล้วต่อไปบอกให้ใจอยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจ ใจก็จะเข้าสู่ทางสงบยา้เมื่อใจเข้าสู่ทางสงบยาวก็จะพบกับความสุขแล้วก็จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเลทันีนี้ก็ไม่อยากจะออกไปหารูปเสียงกลิน่นรสแล้วอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ได้ที่นสงบแล้วมาหาความสุขทางทางใจดีกวาทางธรรมะดีกว่า แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันไม่ถาวรมันไม่ต่อเนื่องมันได้แต่เฉพาะเวลาที่เราเล่อนยอดจิตโยมเข้าสู่ความสงบพอจิตถอนออกมาจากความสงบกินลกก็จะออกมาด้วยจินลกก็จะเริ่มจูงแต่งสร้างความอยากสร้างความโลภสร้างความโกรธให้ตอนนั้นก็ต้องใช้ธรรมะอีกขั้นคือปัญญาหราือมีปรัชนาเข้ามาแล้ว ความโลกความโกรธเพราะความโลกความกรดนี้เกิดจากความหนุนความหนุนก็คือความไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ไม่เห็นใจ ล, ละไม่เห็นว่าทุกสิ่งไุกอย่างนี้ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พ่เศษหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมาจากการผสมผสานของธาตุทั้งสี่ธรรมะนนแหะไม่มีอะไรหรอก เป็นที่อย่างเป็นท่านเราถึงเรียนโลกเรียนโลกกับท่านโลกกับท่าโลกของท่านดินน้ำมีไฟสารานี้ก็เป็นธาตุทั้งสาลาร่างกายของวกเราก็เป็นธาตุทั้งร่างกายข้าวของต่างๆที่เราใช้อยู่ก็เป็นธาตุสิ่เนั้นเพียงแต่ว่าจะมีธาตุส่วนไหนมากกว่ากันมากน้อยว่ากันบางส่วนก็มีธาตุดินมากบางส่วนก็มีธาตุดินมาก บางส่วนก็มีธาตุไฟมากบางส่วนก็มีธาตุลมมากมันผสมกันไปเนี่ย้นน้ำบลมนี่นะมันก็มีทั้งน้ำมีทมีทั้ลมขวดก็เป็นดิมันก็มีทั้งดินนำลมไฟอาจจะมีน้อยเพราะถ้าเราเราไปเอาพาดธาตุไฟออกทั้งหมดน่การเา้องแขเข้าไปนั้นเป็นการขับไล่ธาตุไฟออกไป ก็มีท้างนี้แหละทุกสิ่งอี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุร่างกายนอนนี้ถ้าจะมองให้เป็นเหมือนไอเสตียก็ได้ไอเสตียนี่ที่เอามาจากตู้เย็นวางไว้สักพันวงนก็ละลายไปหมดร่างกายของเราตอนนี้ก็ถูกถูกเวลามันละลายไปเรื่อยๆเยอะและขึ้นนอยเดี๋ยวก็ก็กลายเป็นเป็นเป็นอย่างกลายที่เท่าที่ ของทุกคนเป็นอย่างนี้นี่คือเสิ่งที่เราควรจะพิจณอยู่เรื่อยๆถ้าตอบไปแล้วก็จะไม่ได้อย่างได้อะไรเพชรก็ไม่อยางหน้าทองก็ไม่อยางได้ไม่รู้จะเอามาทำอะไรได้แล้วมันทําให้เราหยับความทุกข์ในใจเราได้นึกถึงเหมือ น, นกับสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นต้องมาคอยดูแลรักษาต้องคอยรักษาพ่อมาหั ก็มาเสีย อ, อกเสียใจเมื่อเช้ า, านี้ก็อิโยมแต่มาเหมนกับเราบ่นว่าเมื่อวานนี้ลูกชายไปธนาคารแล้วออกมามีคนกระตุกสร้อยเการณ์เกิด ข, ขึ้นตังแต่เมื่วานวันนี้ไปยังยังเหลือนยู่ในใจมันก็เป็นแค่สร้อยนะค่อยก็ค่อยไป ม, นะมันก็ไม่ได้ทำอะไรทําประโยชน์อะไรให้กับเรานอกจากเวลาที่เราเกิด เลือดร้อนไม่มีข้าวกินก็ย่างพรชื่นวใสทองชป็นนี้ไปแล้วมันก็เอาทาตุไปแรกธาตุทีนี้เองแต่ถ้าเรามีปัญญาที่หากินได้ทุกวันทุกวันไม่ขาดจนถึงวันตายของต่างๆอื่นๆก็ไม่มีตัญหาอย่างท่าตุไม่ไม่กลัวตายเพราะอะไม่กลัวตายเพราะเพราะมีปัญญาหาข้าวกินทุกวันไม่ต้องมีทางเก็บไว้สำรองไม่ต้องมีแคชรเก็บไว้สำรองไม่ต้องมีอะไรเก็บไว้สำรองมีบาทใบเดียวก็ พอเรามาความจะเห็นกแค่นี้แค่อาหารมันบำรุทั้งเองที่อยู่ความจิอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าตรงได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ไหนก็ตายอยู่ในวังก็ตายอยู่ใกล้สะพานก็ตายถึงเวลามันจะตายไม่มีใครยกนิ้วขาดตายได้ พยายามาันความตายแล้วก็จะไม่มีความกขต้องพิาราตายแล้วอย่างนี้ให้เห็นว่ายังไม่มีอะไรที่พิเศษที่สุดจงๆเยมีตัวเดียวที่พิเศ ษ, ศ ษ, ศ ษ, ศ ษ, ศษแต่กับไม่ได้รับการดูแลก็คือการของเราเรากับเขาแต่เลื่องมาให้จแบกให้ใจมาทุกข์มากามงังวลทาไมต้องมาทุกข์กับคนนั้นทาไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของเราขนาดไหนไหว่าใครตามเรื่องเราแล้วก็มีส่วนของเราถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอะก็ทําไปนการปล่อยนี้ไม่ได้หมายความว่า ไ, ไม่ไม่ไม่มีการรับผิดชอบคือมีหน้าที่การงานอะไรมีความ ร, รับผิดชอบอะไรก็ทำทำไปแต่ใจไม่ไปแกล้งกั น, นเองทาแต่การหน้าที่ทําหน้าเท่ทาไรเท่านั้น ไม่ได้ยก็ช่วยไม่ง่ายแล้วพยา <_ d ata> ยามพยายามให้สิ่งที่เราทำเป็นอย่างนั้น <_ d ata> เป็นอย่างนี้เือเราก็อยากให้เป็นดีถ้าเป้าหมายของเราการทำอะไรก็ต้องทำเพื่อทให้สำเร็จให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดแต่เมื่อเราทําด้วยความสารเป็นความสามารถของเราแล้วมันจะได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ในยุทธศาสของเราแล้วก็ไม่ต้องไปทุ่มก่อนไม่ต้องไปคำนวรตลอด กวลก็ไม่ได้จะเปล่ยนไปอะก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเพียงแต่จะสร้ า, างความโกรธขึ้นมาก็ไปโทษคนนี้นคนนี้ว่าเป็นอุปสรรคมากก็เลยไปโกรธไปเกลียดเขความความโลภความโกรธขึมาจากพันธุ์หวงถ้ารู้ว่าโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเปนเพียงนินน้ำมึนไปแล้วก็ไม่มีใครเอาติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวก็จะใช้ชีวิตกับเขาแต่ ไม่ได้เห็นเท่าพิเสษพิเศษว่าอะไรก็ไม่ก็จะไม่เกิดความรู้อย่กมากขึ้นนะไม่เกิดความอยากผู้จะเป็นเศษสัมผัสยืนงดเห็นอะไรพิเศษขนาไหนเห็นตมนนนนัมันก็ผ่านไปความเสียอะไรทีร่เสียขนาดไหนมันก็ผ่านไปรักปาอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนมันก็ผ่านไปผ่านไปหมดผ่ไปหมดเนื้อแต่ผู้รู้อยู่ตลอดเนะครับ ถ้ารู้แบบหนุ่มถ้ารู้แบบนี้นถ้าไม่ไถ้ารู้แบบนู้นถ้ารู้แบบไม่อยากไม่ยึดไม่จุตไม่ต้องการเลยถ้ารู้แบบหนุ่มก็อยากจะนหน้าเรื่อมขึ้นไปเที่ยวมาคราวนี้สนุกมากเหนือคาหน้าต้องไปอีกรับประทานอาหารนี้อหลอยมาต้องกลับไปรับประทานอีกมานี้เรียกว่ารู้แบบหนุ่มถ้ารู้แบบนี้มันก็ท้างมาถ้ามัน จะรู้ด่นานรได้ก็ต้องมีธรรมะมีความเป็นจริงใจเพราะมันจะเปรียบเทียบรสชาทั้งสองชนิดได้อย่างชัดเจนมันจะเห็นว่ารสชาอย่างนี้มันไม่มีไม่มีความหมายเลยเมื่อได้สัมผัสกับความสงบสิ่งของใจอันนี้มันเดินเดิมจริงๆมันมันสุขจริงๆมันมีอิทธิพลต่อใจพองเ่จริงจริงให้ใจเรามีความหนักแน่นนั่งคง ไม่หวั่นไว้ไม่ว่ารู้ขึ้นมัวกับเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นก็ธรรมะสั้นๆที่เราอยากจะให้ฝากไปบ่ดีด้วยดีอย่าง <c oughs> นี้คับผมก็ไปพนาจากท่างทายหลังไม่ไม่ต้้งมันเป็นไง ติดตัวไม่ได้เลยก็เป็นสองวันนี้เขาบอกว่าจริงๆที่ท่านจารย์สอนไปก็คเคยทำบ้าแต่พอมันปวดหลังจริงๆมันทําไม่ได้ ừ ừ, ปนไปหมดเน่ยถ้าถ้าทำไมแต่ว่าเข้าหองสาบแล้วต้องไม่ผานเอาผม้อบตกสอบเลยว่าการบ้าไม่พอต้องแยกให้มือเจ็บนานๆแล้วก็เ 6, กิดชินไปเจ็บก็ทําใจให้เฉยให้นิ่งพอให้ความเจ็บแยกความเจ็บออกจากตู้เลือ คือรู้ไม่ได้เจ็บจากความเจบเหมอเราดูภาพพิยเนี่ยถ้าเราดูเฉยๆมันก็เฉได้แต่การดูแล้วเพื่อที่จะเจ็บไปดึใจสีใจกับภาพพยนมันก็มันดูได้ แ, แต่เราจะดถ้าเราดูเ ร, รื่องกิตรอยนเพงแต่ภาพนะมันมันไม่มาเกี่ยวอะไรกับเราอนะเราเพีงดูไปเทะนั้นดูขาไเนละครไแต่เราไม่เราจะเป็นตัวละคว ร, รไไปอิน ให้ร่าบหดเยต้องปล่อยวางหมดร่างกายก็ต้องปล่อยวางเณทะยาก็ต้องปล่อยวางธรรมาังขานก็ต้องปล่อยวางปัญญาก็ต้องปล่อยวาง เบตนาสัญญาสังขารมุญญาเนี่มันเป็นเหมือนหุนพ้อยมันก็เกิดเวลากำหนดพิจารณดูในจินี่มันจะวับๆๆกักวักเกิดหยักเกิดหยักเกิดหยักความคิดเกิดรับก็หายไปสัญญาตอนแรกรัก็หายไปสวมผันรับรู้ถึงรับเข้ามา่างไปแต่มันมันหายไปแล้วมก็มีใหม่เข้ามาหมเข้ามาเาเแต่รับรู้แต่ไปข้อยากเป็นินดีอยากเป็นงินน้อยแต ถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องหัดชอบเราชอบอะไรก็หัดไม่ชอบเพราะความชอบและไม่ชอบไในตัวทำให้ใจแข็งทำให้ายไม่ไม่หนไม่อีู่กลางเวลาชอบใจมันก็จะเอื้อมไปจะเอื้อมไปแต่ลเมันไม่ชอบอะไรมันก็จะถอยออกจะถออกเวลาไม่ชอบอะไรก็ใช้เืวลาก็ไปหาสิ่งที่เราไม่ชอบ สิ่งที่เราชอบก็ให้ถอยออกเพื่อมันจะได้กความสมดุลของใจให้กลับเข้าสูคาา่ความเปลนทางความเป็นเดิกขาอย่างพระที่ฝึกท่านสอให้พระยินดีตามมีตามเกิดเกาแบบนี้เพื่อคร็บตัดความไม่ชอบรับประทานานอย่างเหมือนพระผู้พระตานันตานาี้พระไม่มีจิตเพื่อจะรับประทานาได้พระองค์ทำหน้าที่ตับไส้บากเอง ตัาตัดสายเข้าไปสายเข้าไปไม่ใช่มานั่งเรือ บ, บที่ทาเช้าอาหารเนี่ยก็หยิบไม่ชอบไม่ชอบไปหยิบได้ไม่ชอบก็ไม่หยุดแค่นั่งเปิดบานเป่ดสามบ า, าแล้วท้าแต่ลงได้มด้อจากหลวงตามาเวลาทักทีเราทักทีกันก่อนจะชิ้นก่อนจะชิ้นไปใส่เข้าไปตามหมึ่งในวิธีที่จะตัดปัญหารเรื่องาราวเหล่านี้ก็คุก ม, มันไปนเลย ของข่าวของหวานผลไม้อะไรใจก็มาในบานแล้วก็ให้มันรวมกันในี่บานเลยพราะเดี๋ยวมันก็ต้องรวมกันในท้าองดีไม่มีปัญหาอะไรเลยท้องร่างกายเป็นผู้กินนี้เขาไม่เหดือดร้อนเลยแต่ใ จ, ใจนี้ไม่ได้กินเป็นโัวรุ่นวาเลยเป็นตัวชี้จุดจุดใจไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ร่างกายเป็นผู้กินใจมืนเป็นเป็นแม่แต่ร่างกายก็เป็นหนลูก แม่คอยทที่ทุกิตเตรียมอาหารให้ทุกทีแม่ชอบอาหารอะไรก็ยัดยัดบางคั้ไม่ได้กินอาหารที่นั้นแต่ลูกเขาไม่สนใจให้เขากินอะไรกินได้เลยเนี่ยร่างกายนี้ให้เขากินไรเขาก็ินได้เลยนเราควรที่จะสบเรื่องเราหนึ่งเท่าจะก้าวเี่ในทางการจะเปนดอกนี่้องคันดีบ้านกนกน้อยสังเก น้อยก็คือใช้น้อยกินน้อ ย, อยแล้วก็สันโดก็คือยังไงก็ได้ตามมตามเกิดมีอาหารอะไรตรงไหนเมื่อไรก็รับประทานไปถ้ารับประทานไม่ลงก็มีก็จะได้เป็นการออกจากหันไปไดะเป็นการดัดสัญญาณกิเลสกิเลสไปพอคราวหน้ามันจะกินได้เพราะมันจิ๋ว ผรไม่กินนี้หรื น, น, น, นี้นั้นยังเห็นเห็นเดี่วกันที่เราไม่เคยกินไม่อยากกิ น, นก็จะกินได้เพราะตอนนั้นมันหิวอะมันหิวร่างนี้เนจข้าวคลุกน้ำตาก็อรอยถ้าเราไม่ใช emat ก า, ารแ่บนเเราจะไม่ไดทางก้าวหน้าถ้าเราไปใช้แบบอยู่ใช้ชีวิตแบบเดินเอยู่ยังไงก็อยู่นะแล้วปฏิบัติอย่างนี้จมันจะไม่ก้าวไป มันต้องมีการทรมานใจการปฏิบัติเนี่ก็เรียกเป็นการทรมานตนทรมานใจโดยอุบายต่างๆพระพุทธเจ้าก็ให้ทุยงศึกษาข้อต่อพระพระพุทธเจที่ก็เป็นการทรมานกิเลสการได้บางนี้ก็ยินดามาเนี่ก็เป็นการทรมานกิเกกิเลส ชอบกินแต่ไม่ชอบหาไม่ชอบเดินหาแล้วก็ถันเมื่อเดียวกิน<ม>ชอบกินทั้งวันเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบายเป็นเป็นการเป็นเครื่องทรมานใจเพื่อพัฒนาใจให้ได้จ่างินกาวหน้ามันเป็นเหมือนกับการเลี้ยกินเลกเ่ามนกับการยืดหนี่ว หนองถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะไม่มันก็จะไม่ออกมาเราต้องลื่นมันออกมามันจะได้หายเอยมันจะได้หาเอยังน้องนควรจะคิดถึงมาตรการเหล่านี้แต่นงอยก็สินแต่เน้อก็มไม่เนเท่าเงินก็ต้เอาม้างอนอทีตย์หนึ่งก็ต้องรมโนักที่หลยครั้งแต่ควจะมาก่า น, น, นี้คนทักนาถือเนี่ยถ้าเราถ้าเราต้องการที่จ ะ, จะเจริญ จริงๆทำได้จิตใจเราต้องกล้าที่จะใต้น า, าริากาแบบเมื่อก่อนกราคิดว่าทำนี้ไม่ได้จะดีเดียวคิดว่ารับประทานอาหารนี้เดียวพอเรทาทำนี้คือว่าเก่งแล้วพอไปอยู่ที่วัดเป็นพระก็อดกันทพื่อสามวันห้าวันเขาเขาทำ ด, าด้านถนนนี้แต่พอลองทำแล้วก็จะเข้าใจว่าทำได้ เพราะว่ามันทำแล้วมันจะทําให้เราก้าวหน้าทางด้านจิตใจเพราะเมื่อวลาเราไม่ได้รับประทานอาหารนี่มันจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกทั้งสองส่วนของรางการที่ทานอาหารและทุกของาจที่อยากจะรับประทานอาหารนี่ถ้าเรามีความสามารที่จะทําใจให้สงบได้เราก็จะใช้วิธีระลับความทุกข์ทางใจนี้การเข้าเข้าไปในสมาธิ พอเข้าไปในสมาธิพอติตสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหารก็จะหายไปแล้วก็เป็นความทุกข์ส่วนใหญ่พอความทุกที่อยากที่มีอยากรับประทานอาหารมีหายไปแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่ค่อยมีสตอ้มแรงจะมีสติผ่อนเทลียรู้สึกหมือรู้สึกว่าท้อมัวนว่างๆหนืดๆไปทังหมดแต่มันไม่ค่อยทอมันเหมกับเวลาที่ จิตไม่สงบเนาะคิดถึงอาหารชนิดต่างๆสบายหลายร่างกายก็กินไม่ได้ไม่มีอะไระยั่งกินมันก็เลยเป็นการบังคับให้ภานาะให้เข้าสมาธิเรื่อยๆพอเข้าพอพ อ, พอขสมาธิตอนหายทุกพอออกมาใหม่ๆก็ไม่ทุกพอเพิ่งตั้อยู่ก็เริ่มคิดตรง น, นะพอคิดตรงก็เข้าไปสมาธิกลับเข้าําทำอย่างนี้เื่อย มันทำให้เรามีความยั้งมั่เพียงที่จะภาวนาวันนั้นหละจะจะทําให้ฐานของสมาธินั้นแน่นเพราะเราตอบย้ำอยู่แทบทุกชั่วโมงเข้าไปชั่วโมงพอออกมาสครึ่งชั่วโมงก็กลับเข้าไปไหนแล้วพอมันเนิ่มเอาเนิ่มคิดเนิ่มอยากเลี่ยก็กลับเข้าไปหม่ออกกลับเข้าไปใหม่ก็สบาแล้วต่อไปก็จะทําวนาจะเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้อยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ การกระทำรายบ่อยๆนก็จะเกิดความทำงานขึ้นมาเองคือจะเป็นขั้นสมาธิแต่ถ้าเป็นขั้นปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำไปเพราะใจพิจารณาทามันก็ไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องอาหารมันก็ไม่หิวแล้วก็เดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงตาม้องไดีของอ า, าหารไม่ได้รับประทานาเพราะใจมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอาหารแล้วมันจะพิจารณาแต่เรื่องธรรมะที่เราอยู่ที่กำลังติดอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในท่านร่างกาหรืออยู่ในท่านท่านนงาม ข, ขาามันก็พิจรณาไปมันก็เพราอจะมันก็เหมือนกับมีอาหารมีธรรมะเป็นอาหารหล่อเี้ย จ, จิตใจจิตใจก็ก็มีความสุขต่อการปฏิบัติตอนนั้นจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับนามฐา น, นว่าจะเอาแต่เรื่อนามฐาน ก็คือก็วนะาหาสามวันห้าวันได้ไม่ร <parity> ู on, Feeling, ton, ้สึทอะไรเลยแต่ดอยก็จะใสน้ำตาลน้ำน้ำเปล่อบ้างน้ำตาลน้ำพอให้มีกำลังกาบร่างกายเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องใช้ตลอดเน่อกับเราจะเปลี่ยนยางวยตถุนี้ถ้าเราไม่มีแม่แรงเลยจะเปลี่ยนยากเราจะเอากำลังที่ไหนมายกรอขึ้น แต่ถ้าเรา ม, ามีเนื้อแรงนี่มันก็ง่ายเปลี่ยนงานก็ง่างนี่นก็เหมือนกันการที่จะยกขิดให้ขึ้นสู่ระดับอย น, นี้ขเขาต้องมีเนื่อแรงเนื้อแรงก็คืออุบายของการปฏิบัติต่างๆนีน่แล้วแต่เราจะเอางาที่จะถูกผลิตกับเราบางท่านจะชอบ อ, อกอาหารบางท่านจะใช้ยิสักข์การเจริญในสาวิญญาณย ท่านก็ชอบไปอยู่ในที่น่ากลัวไปอยู่ตารป่าช้าเป็นอยู่การตามป่ า, าทางเขาแล้วท่านก็ชอบออกเดินกลคืนเดิที่ไม่ต้องฉายไฟเดินป่าเดินไปปองไปอย่างนี้แหละมันจมจะได้ทำถ้าอยู่ในเห้าแอร อ, อยู่ใกล้ตู้เย็นอยู่ใกล้โรศัพท์มันไม่ได้ไนะ มันได้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราอยากจะได้อย่างไรเราก็อย่ามั่นคงอย่เอาท้สองอย่างไม่ได้นะโลกกับธรรมมันมันมันเป็นคนละทางไปทำไปทางที่เหนือลโลกไปทางทิศใต้เป็นคนละทางไป ไปหาคำถามเลยนะมีตนาที่ใหม่แล้วหรือเปล่าัจะเป็นแบบน่ะอาจารย์นีเยแล้วนต้อมีใหม่มาจะเป็นส่วนแสงธรรมแล้อค่ะ ท่านที่นี่ดูจัาทรานะที่เขากลายไปนั่นก็ว่าอ่อนลงสองอาทิตย์มนีนจันท์กอท่านลุกขึ้นท่านปวดเพะว่าแล้วลุกขึ้นแล้วไปไม่ถึงไหนก็ตรงนั้นหละท่านยาวทยท่านเร็วก็ถึรับทาง เมื่อวันผ่านมีญาติโยมก็บอกว่าเห็นญาติโยมของน้องให้หลวงตาอยู่เพรว่ามีิแล้วท่านไม่รับเ็นไแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของหตาเป็นใบของหลวตาสอนพวกเราไม่ให้ก่อมากถ้าเกิดท่านรับพวกเราเล่าไว้ท่านอยู่ยัเราก็ยังไม่ต้องรีบนอนก็ท่านสร้างเมย์ไม่ต้องตีตีเหมือนเรา นั่นนมาสอนพวกเราให้พวกเราเรารู้ความตายให้เราเรารู้ถึงคามไม่เพื่อนแท้แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนาเนมนใจถ้าท่านบอ่มีได้่ยิ่งฝึกมาไม่ต้องรีบเง แต่ถ้าไม่ได้รับไม่แสดงมาเราจะได้ไม่รู้ว yes. ่าท่านจะอยู really, ่ไปถึงเมื่อไรอรา่ม่ได้รีบรีบกันศาสนาพุทนี้ก็เป็นเหมือนรถรถนึ่งนะอาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายก็ได้นะถ้าเราไม่รีบขึ้นนะมันจะละเอยดนะเข้าเาินไปนะ เขาเมือตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เราไม่รู้จะได้พบกับผู้ศึกษาปัญหาหรือเปล่าคราวนี้อาจจะเป็นเหมือนกันเป็นเป็นเคื่องสุดท้ายของผู้ศึกษากัญนะสมบูรณ์เราเขาไม่รู้ว่าเราจะไปรับบุญนับกรรที่ไหนต่อหลังจากที่เราตาจากที่นี่ไปแล้ว มาแล้วเมตอตาว่าจะมีศาสนาในนั้นอยู่หรื่องั้นก็ควรพยอยามปลูกฝังนิสัยให้ให้ฝ่ายทำให้ยินดีทำเท่าไหร่ทาอยู่ตอลตอดเวลาจนไม่ต้องอาศัยศาสนานะ้เมื่อเรามีกำลัมีเครื่องในใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องจากนอก ศาสนาเนี nah yeah. ah ่ยก็เป็นเหมือนเรือที่คอยลากจูงที่ไม่มีเครื่องแตถ้าเราติดเครื่องในเรือของเราแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยศาสนารากจูงอราไปก็ได้อย่างพระสวดารันขึ้นไปเนี่ยท่ามีเครื่องติดอยู่ในในใจของท่านนะท่านไปเกิดทุกข์นานชาตินานไม่เจอพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับท่านนะท่านมีพราะพุทธศาสนาติดอยู่ในใจของท่าน แต่ท uh, ่านก็อาจจะเช้าเรวเพราะว่าเม่มีผู้ที่ผู้ที่เดินทางไปถึงก่อนแล้วมาคอยช่วยแนะแนวทางให้แต่ท้าจะไม่หลงทางท่านยิ่งนะเพราะท่านแนวทางของการเดินของพระอริยะเจ้าก็คือพระอริยสั์สี่ก็เริเห็นอรสัจสปรากฏเึ้นใจแล้วดูแลปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหนมีที่ของเราเอง อยู่ที่ความอยากของเราเองก็จะพยายามคอยลดละคอยจัดความอยากต่างๆที่มีนในใจให้มันน้อยลงไปแต่สุดามันก็จะไปติดอยู่กับร่างกายติดกัการมมรระก็รู้แล้วว่าต้องแก้ตนนัวนี้ก็ต้องศึกษาดูว่าแก่อย่างไรขอราไปเห็นร่างกายเพียงแต่สที่สวยที่งานแต่ร่างกายมันมีส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็เป็นส่วนั้นไป มันนส่วนนั้นไปเขาบ่อยคนจาได้แล้วต่อไปมันก็ไม่เอามันก็ตัดไปนะพอได้แค่เห็นเรื่เล่าศาสร์ศายในะที น, ะนี้มันมันไม่ต้องมีครูไม่มีอาจารย์ไต้องมีอาจารย์ภายนอกก็ได้เพราะีครมีอาจารย์ภายในท่านทรับรองเลยว่าไม่เกินเจิดชาติไม่เกินเจดชาติล้วกจะมีมีเขาพืพ่อจาปน้ามีเขาเพืพ่อจ่มาคอยสอนยังไงก็ไม่เกินเจด เราไม่ทําแล้วผู้มีผู้เห็นธรรมคือผู้เห็นนาฏศากุลผู้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงคอยสอนอยู่ในใจนี่คือนี่คือสถานภาพ ข, ของพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นแรกแต่ถ้ามีพระพุทธธจรมพระสงอยู่ในใจแล้วนี่หมายว่ายัางไม่ได้ทําจัดขึ้นเลยให้หมดขึ้นไปเท่านั้นเองแต่กําลังอยู่ในภาวะเริ่มต้นถ้าเป็นคนไข้ก็เหมือนกับวาได้ยามาจากหมอแล้ว หมอไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาพร้อมพอขอให้กินยาที่หมอให้มานี่กินให้หมดก็แล้วเรากินหมดแล้วทีนี้ก็หายหายโรคยาเด็กขาดเรื่งการนี้ก็ปยายมามเ้อตันนี้ให้ได้ก็แล้วาากันี้ทํามาจักคุ่เพิจารณาการยเรื่อยเย พารความเจ็บท้าแล้วปวยเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันเป็นธรรมดาถ้าตายเป็นัแล้วเจ็บแลปวดกปอยมันเจ็บมันปวดไปมันายก็ปวอยมันายไปวมันจะดับปัญหาตอนดับป้อมมันก็จะเห็นเท้จลัที่อเมื่อกทุกทรมานใจไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกายนะเพราะความความความกลัวความเจ็บและความอยากความเจ็บนันหายไปสักหนาเนี่ยคือเห็นนายาศาตมันจะเห็นนี้ข แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากให้หายมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปต่อมันหายจะหายมันไม่หายนมันก็ต้องหายมันจะหายแบบไหนหายแบบมีลมหายใจอยู่หรือหายแบบไม่มีลงหายใจอยู่มันก็ต้องหายแน่แต่ใจไม่หายใจสบายใจสงบใจมีความสุข มาตรงนี้แหละตัวนี้สําคัญที่สุดคือใจตัวอย่างลึกในสมุทยคือปัญหาทั้งสามนี้ออกไปหมดปไปจักใจให้ได mm hmm. ้อพอหมดแล้วก็จะไม่มีตัวมาสร้างความทุกข์กังวลใจต่อไปธรรมาอษษุปสดก็มามำลาใเ mm hmm. ชื่อโรคของใจคือการมาปัญหาเ mm hmm. พราะว่าปัญหานีา้เพราะว่าปัญหา mm hmm. อามันพอพอเห็นตัวนี้ลต่อกันมนมั น, ม, นมันไม่หลงละมีแต่ว่าจะหาวิธีทาให้มันจบไปได้มากน้อยเช้าไม่เร็วทเท่านั้นอมันจะมุ่งมาตรจุดไม่จุดเยวมันไม่สนใจกับเรื่องภายนอกข้าอไม่ใช่เป็นสาะไม่ใช่เป็ที่ขึ้นไม่เี่ยเป็นที่ขึ้นได้ยิงแต่การปฏิบัติธรรมของการหลักธสอนของพระพุทธเจ้านี่เั ที่เะาไปเจอเป็ น, นที่พึ่งมาแล้วแ้ยึดแนวทางถึงภรวาเลยมีโอกาสทํยังไงทำได้แล้วน้อเท่าไ ห, หร่ราากร็พยายามต่อจนได้เลยหมดเลมีเท่าไหร่ไม่จำเป็นเลยเก็บไว้ทำไม ที่าไม่ให้เขาเป็นไะไี่ว่าเราต้องเก็บรวันใช้งว่าก็อยากไป ห, หามาเพิ่อนมนกันพ อ, อแล้วเอาเวลานานจะปฏิบัติได้แล้วพอแล้วพอมีคามมีควคมเมพอเสร็จแล้วก็เอาเวลาม า, า, า, า, า, ม, ม, ม, า, ามามธรรมะอะรต่างมาเรียนหาทรอยาความศึกตาวิจัยนิจัย เราจะขาดทุนนะกางานเราจะขาดทุนไมนได้กางานม่ได้ธรรมะไมนได้บูไณานม่ได้ไปดีไป ยังต้องขึ้นรถเมยเที่ยวสุดท้ายให้ทันโะฮวาฮ่าล่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮปาฮ ม, มาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าด่าฮ่ ถ้ามีใครคาถามไครับข้างนอกมีไหมข้างล่างมีไหมข้าง้่าไม่เคยถามถามเแล้วก็จะม่งไปออกทางใจมุ่งันเป็นเพราะญาติโยงทั้งหายไม่ใช่เจตนาเจาทเป็นหมายเื่อนขึ้นที่สองี่สามที่สี่ที่สี่เป็นเจตนา ทำดีๆตัวไทรไม่ได้ทำดีๆขอรของคนนี้ไดขอรของกี่ ท้าวเจรจะได้เป็นโยกับพระเราเราเสียสละกัาต้องครให้คนเยอยอะนกับเรียงพระราชาคือคือเมื่ีที่ท่านการสอนเรื่องเรื่องอา่าไปเจ็บกับกายนะคะคือคราที่ลาวที่ลูกปฏิบัติธรรมอ่ะทีนี้ก้าวเนื้อหลังมาถักแสบก็เจ็บหลัง กหลังเสร็จพอนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะนั่งไม่ค่อยได้ mm hmm. ทีนี้คือใจหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะอดทนแต่อีกใจหนึงก็ยังเลือก็เอ๊ะถ้าเรานักษาเอ่อร่างกายไว้เนี่ยมันไม่ดีกว่าเนาเพราะว่า mm hmm. ถ้ายิ่งไปฝืนมันเนี่ยมันก็จะยิ่งเก็บมากขึ้นก็เลยสองติดสองใจว่าระหว่างการที่จะฝึกเอ่อเกี่กับการที่จะขนอมสันขาเนี่ยมันควรจะมีจุดสงดุมอยู่ตรงไหนนะครับ มันก็ต้องแยกเป็นสองกรณีกรณีที่มีความต้องการธรรมะมากกว่าอย่างองื่นก็พร้อมที่จะปฏิบัติได้ทุกเมื่อถือโ อ, อ, อกาสว่าการเก็บตัวนนี้เป็น อ, อการดีจะ ไ, ได้ปฏิบัติเพราะมีในเหตุการณ์จริงถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องสังขารนางการถ้าจะตายกายตอนนั้นก็ไม่ต้องไปเสียด้ยเพราะจะได้สิ่งที่ ที่มีคนณค่าเรื่องกว่าอย่างที่เราได้ยินพระท่านวนรุในปากเสือเองถ้าท่านคิดแบบเราสงวนรักษาล้ำตาเราท่านก็คงไม่ไปหาเสือใช่ไหนนี้ก็เป็นลักษณะที่ของผู้ที่ท่านมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความหลุดพ้นท่านก็พร้อมที่จะสละดัดหน้าที่อ่ะแต่ถ้าพวกเราเดียว ในความที่จะรุดคนเราก็อาจจะต้องพักก่อนแล้วก็รักษาร่างกายให้หายดีก่อนแล้วก็ค่อยปฏิบัติอย่างนั้นก็ก็ได้แบบนึ่งแต่มันมตช้าและอาจจะไม่ได้ถด้ผลดั ง, งที่ปรารถนาก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับความปรารถนามากกว่านคนเราก็มีความปรารถนาอะไรมาก ก็ยอมเสียเสียหน้าที่อย่ไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตามมันก็อยู่ที่ใจเราเป็นแบอยู่ที่ความปัจจนาของเราเปนแบว่าเราต้องการถ้าเรายังสองติดสองใจอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ปาจจัยธรรมถึงขั้นแล้วถ้าเราปัจถนาธรรมถึงขั้นนั้นปัญหานี้ก็จะไม่ี่ พอเราเจริญวาเรา้จะเลี้ยงแล้วจะเลื้ยงผมเอาส่งที่ถาวรอเลี้ยาเลือกสิ่งที่ไม่ถาวใจนี้ถาวอแต่ร่างกายนี้ไม่ถาวความทุกข์ใจนี้มันจะอยู่ไปกับใจเป็นลาวนานแต่ความทุกข์ใจนี้มันไม่งานมันก็แค่ชั่อร่างกายนี้เชื่อชีวิตของร่างกายถ้ามัน ถ้ามันจะต้องเสียร่างกายแต่เพื่อให้ได้ธรรมะนั้นมันก็คุ้มค่าเพราะอย่างไรก็ต้องเสียัไม่ดีต่อให้รักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนเดือยวมันก็ต้องเจ็บค่าได้ป่วยเช่นเดียวกันดังน<ม>ั้นก็จะกายเป็นข้อห้ามของจิตขอ ง, อ ข, องขอฝ่ายของกันข้ามได้ว่าเอะรักษาร่างกายไปก่อนพอจะเจ็บพอจะเป็นอะไรก็ต้องหยุดก่อนต้องรักษาร่างกายกันก่อน มันก็เลยจะไม่ได้ไปไปไปได้ผลจากการปฏิบัติก็เราก็เคยอ่านประดัติขอปูมั่นที่ไหนในคราวที่ท่านมีการจุดท้องแล้วท่านก็พยายามหายามารับประทานรับประทานนี่เท่าไหร่ก็ไม่หายกลับยาเจุดมากขึ้นไปจนท่านก็เลยปองว่าเยาอะกิยามากมากมันไม่หา ทนีเน้เอาแบบไม่กินยามากมายซึ่มันจะเป็ยนยังไงใช้ธรร ม, มโอษฐ์นั่งพาวนาพิจารณาทุกขเวทนาเนี้แยกกายแยกเจตนาออกจากกาันออกจากใจออกจากกายให้ตางฝ่ายตามเป็นความจริงของเขาตายก็เป็นความจริงเจทนาก็เป็นความจริงใจผู้รู้ก็เป็นความจริงคือให้ตามฝ่ายตามทำหน้าที่ของตน ร่างกายเป็นธาตุาก็ปล่อยให้เขเป็นธาตุไปธาตุเขาไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับกุฏินังนี้เขาเป็นธาตุเขาไม่รู้เรื่องอะไรยาจะส้องร้อนขนาดนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องความร้อนใจคือผู้ที่อยู่ในศาลา น, นี้ก็ไม่ทาไปร้อนแถนร่างกายมันร้อนจะรับรู้ว่ามันร้อนไปความร้อนนี่ก็เป็นเหมือนกับเวทนาที่เกิดขึ้นใ น, นร่างกายเวลาเจ็บได้ส่ปวดก็ปล่อยมันร้อนไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป เจะนาก็มีหน้าที่แสดงความเจ็บถ้าฝอาายก็แสดงไปถ้าการมีหน้าที่นั่งดีตรงไหนก็นั่นนงไปใจมีหน้าที่รับรู้หยู่ฝรุ้งไปทั้งเลยเพอาต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่กันได้เดียวเขาก็เขาก็จะเขาก็จะเข้าเข้าไปในสภาพปกติของเขาเองพอจิตสงบตั้งเนี่ยความทุกข์ส่วนใหญ่ที่ก่อมาใจส่วนใหญ่ก็จะหายไปแล้วความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่คม่อยรุนแร หรืออาจจะหายไปด้ว่ยก็ได้ถ้ามันเป็นผลที่เกิดจากความไม่ปกติของใจเราเสีความไม่ปกติของใจนี้เราจะทำให้ร่างกายฝั่นปวดทําทให้ร่างกาย จ, าจาขข่ายอาการเจ็บข้าวแม่ปวดขึ้นมาใสมัยใหม่นี้ก็ยังมี ก, ก, งมก็ไปยังมีการศึกษาแล้วเห็นว่าความไม่สงบของใจนี้มีผลกระทบต่อต่อความต่อสุขภาพของร่างกายพอถึงพยาสอนที่คนหัดทาใจให้ให้สงบกับ้าง ดันั้นพอพอท่านได้พิจารณาจนกระทั่งจิตท่านลมลงก็เกิดความสนกุกวอมที่สงบนั้นจิตก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้เรื่องของพอิจาราาถ้าพอท้อออกมามันก็หายไหมดแล้วก็เป็นจะได้ถ้ามันเป็นโรคที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคหรือหรือเกิดจากเชื้อโรค ก, ก็ได้แต่ถ้าเราทํำสมาธินี่ยนั่งอยู่เนี่ย มันจะเหมือนกับทําให้ร่างกายมีมีโอกาสสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโรเพราะเวลาร่างกายนานๆนี่ร่างกายมจะร้อนร้อนอยู่มันจะแตกยิ่งร่างกายมีการควุมน้อนมากขึ้นเท่าไหร่นี่มันจะมีภูมิต่อสู้กับกับเชื้อโรคแต่เวลาเราเป็นไข้เงี้ยเรานั่งให้เหมือแตกพักเลยเมื่อนอนแล้วคุมหัวแล้วมือมือแตกพ พอมันจะอจากพับเดียวเดียวไอ้ไข่มันจะลดหงายไปเลยนี่คือการการรักษาโรคของของพาะปฏิบัติท่านเอาทั้งสองอย่างได้ทั้งทำและได้ทั้งได้ทั้งการรักษาร่างกายในใเดละเดือกันได้ประโยชน์ทยิงนกยิงยกเพื่กระสุนนัเดียวได้นกสองตัว พระปฏิบัติตอยู่พระานี้เป็นใหญ่ท่านจะไม่ค่อยจะคำนวณถึงเรื่องอยิบยุง่งยากนะแต่ท่านก็รับประทานแต่ก็เป็นยาบัธรรมชาเป็นส่วนใหญ่ยาวสมุนไพรยาอะยรแต่ท่านจไม่ค่อยไปหาหมอหาอะไรที่เราห่วงมันเพราะจากถ้ามันเป็นโรคที่เถารักษาได้อยริงีแ ล, <c oughs> แล้วมันมันมันได้ผลอจริงก็ก็ปัน ก, ก็ ไ, ได้แต่ถ้าเป็นโรคที่มันเป็นธรรมดาสามัญทั่วไป ก็เป็นไข้ป่าโรคอะไรฉันก็ใช้วิธีใช้ธรรมะโอตุ่นแม่ยางที่เป็นหวัดมนันก็เป็นมาตั้งแต่เมื่อสุดที่แล้วเริ่มเริ่มยุกศสาร์จานองแตกคอนเนี่เริ่มเป็นเนี่ยพคือแรกก่ยังไม่ค่อยไข้ยังไม่ช่อยแร่เท่าไหร่พอคนที่สองนี่มันปวดจนมึนในทั้งตัวฟัป ว, ว, วดไปแล้วก็ภาวนาของเาไปได้เราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรแบนี้ พอที่สามแล้ก็ระลับแล้วก็ลดลงแตมันก็จะมีพวกน้ำมูกในพวกเสียงหักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆลดหายไปแต่แล้วอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตอนี้ก็มีการเปลียนน้ำมูกคปจะไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการเจ็ปวเลยเคยเป็นนี้มาหลายครั้งแล้วไม่เคยใชญยาไม่เคยมีถ้าจะมาบวชนี่ไม่เคยได้ใชญยาเจ็บปวดเลย มันคยเจ็บอยากแก้ปวดมันไม่ปวดอ่ะมันไม่รู้สึกปวดอ่ะคือมันปวดแต่มันมันใจมันไม่รู้สึกปวดไปต่อความปวดของร่างกายใจมันแยกออกจากกายได้ดู ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าทนอดเช้าเพียงห้าวันเจ็ดวันได้เนี่ยความเจ็บปวดจะเออไม่ใช่นนทรามาน อย่าไปเสียด้ร่างกายเลยที่ตอนนั้นี่จะรณาความตายอยู่เรื่องช่วยกันให้ให้รู้ว่ารักษายังไงมันก็ตายเสียเวลาไปกับตาริูมารักษาใจดีกว่าการรักษาใจหายแล้วจะสบายไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะไม่เดือร้อว่าสถานะสถานภาพการเงินการทองจะเป็นอย่างไรก็จะไม่เดือร้อน กะรวยจะจนก็ไม่เด็ดแต่ถ้าไม่ไมไม่ไมรักษาใจแล้ ว, ลวกิเลสมันก็จะหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่นี้อยากให้ร่มให้รวยไปตลอดอยากให้สุขไปตลอดพอมันมีปัญหาทางด้านเสรษฐกิจปัญหาทางด้านการเ ง, งินการทองเ็จะวุ่นวายัป ดังนั้นก็พยายามอย่าไปเห็นให้ความสําคัญกับร่างกายมากเกินไปความอยู่่างกายเราหลายล่างแลบะบเหมือนเสื้อผ้าหลายชุดลนะให้มาให้ความสําคัญต่อใจดีกว่าโดยการให้มมีควายินดีในธรรมะให้มากเพราะการยินดีในธรรมีชนะการยินดีทั้งปวงยินดีในธรรมะไ ด, ได้ได้กำํำไรได้ไประโยชนยินดีอย่างอื่นมีแต่ขาดทุน เขาจะได้ความทุกข์มาด้วยได้อะไรมาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยกันวนยงวลเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยกับเวลาที่มีคู่ครองในวันต่างกันอยู่คนเดียวในวันไม่ต้องกันวนงวลเรื่องของคู่ครองแต่พอมีคู่ครองแล้วก็ต้องมากังวลนะคะมาห่วงแล้วก็อาจจะมาทะเลาะกัน มาสร้างความทุกข์ให้กันกันบางคนก็คิดว่าจะมาให้ความสุ ข, ขกันแต่พอมาอยู่ไปนเข้าไปแล้วครับไม่จะเฉลียงนั้นไม่จะทําตามสัญญาเด <c oughs> ็ดเดี่ยวสัญญาเพราะตามฝ่ายต่างก็คิดว่าจะมีความสุขกันแต่ไม่มอถึงสภาพความจริงๆว่าใจของต่างแต่ละคนนี้นักจะมี ความอยากความต้องการที่ไม่จะไม่ตรงกันตอนมีความอยากความต้องการไม่ตรงกันแล้วก็เป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้ามีความอยากความต้องการเหมือนกันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วซึ่งคนมีอยากไปเที่ยวคนอยากอีกคนนึ่งก็อยากไปเที่ยวด้วยนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าคนนึงอยากจะอยู่บ้านคนอยากจะไปเที่ยวนี่เนี่ยก็เป็นปัญหาละ คนอยู่บ้านก็มีอยาให้คนอยากไปเที่ยวไปเที่ยวคนอยว่แต่ถ้าอยู่คนเดียวสบายอยากยังไงก็ได้อยากอยูอย่บ้านก็อยู่บ้านอยากจะไปท้่งนอกก็ไปข้างนอ ก, นอ ก, นอกไมเป็นปัญหาแต่ใจมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันอยากมันไม่มีอะไรมาให้ให้ใจได้ได้ทํางาน คือคนเดียวมันมันเก่ามันคันแต่หาอะไรคันหาอะไรเก่าไม่ได้ต้องหาของอย่างอื่นมาเก่าหาฉนนั้นมาเก่าหาหาเครื่องเล่นอย่างนั้นมาเก่ามาเล่นอะไรให้มันเพลินไปพราะมันอยูดแข่งแล้วนะมันมน้สุดอิจฉาการแต่ถ้าทาใจเฉยๆแล้วมันจะไม่มีความนินสัยแบบนีน้มันจะชอบกับการอยู่แข่งอยู่กับการไม่มีอะไร อยู่กับความว่าอยูกับความสงบเป็นความสุขอย่างนี้อยู่ตรงนี้แหละพูดไปพูดมาก็อย่างนี้แหละก็บอกว่าให้ให้กว่ข้างนอกแล้วเข้าข้งางในเถิดของทุกอย่างข้างนอกอย่าไปอย่าไ ป, าไปสแสวงหาความสุขกับเขาเลยเป็นความสุขนิดเดียวเป็นความทุกข์มากกว่าหลายเท่า เราต้อหาความสุขภายในนีกว่าเป็นความทุกข์ในตอนเริ่มต้นตอนที่พยายามจะดนการเข้าเพราะมันยากเพราะมันมีมันทวนกระแสอารมณ์ของการนี้อยากจะออกข้างนอกเวลาจะดึงดึงเข้ามามันเหมือนว่าน้ําทวนกระแสมันก็จะรู้สึกยากรู้สึกสนุกแต่พอมีกําลังพอที่จะว่านทวนกระแสได้ต่อไปก็เข้าข้างในได พอเข้าไปไหนได้แล้วภาษาที่เรออาขายนอกมันก็จะเบาบางไปต่อจนไม่มิเนเลอยู่เลยจนไม่อยากจะออกไปไหนไม่ออกไปไหนก็สบายไม่ต้องปไปไปวุ่นวายา ก, กันไม่ต้องมีอเไรมากก็อยู่ได้มีข้าวเป็มนมันเนื้อมีน้ำเปล่าเดือดน้ำตาเดือดมี่มู้หลบแดดหบผม แค่นี้ก็พอมีเครื่องฆ่าตายะสองสามชุดยาในก็รักษาตัการอัตราพเท่าไให้มีรักษามไม่ได้ร่างการเขาก็มีภูมิที่จะรักษาโรคภัยให้เกิดปัญหาได้ถ้าเขารักษามไม่ได้ก็ถือว่าเขาก็เขาก็โรคภัยก็ถือว่าเป็นเป็นเวลาสมควรแนละ้วสมควรแก่เวลา ก็จบท่นั้นเงแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกักร่างการใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมมีร่างทายแล้วก็มีร่างก า, า, า, ายใจก็ยังเป็นใจ ย, ยังนั้นอยู่ถ้าใจสุดตลอดก็จะสุดไปตลอดถ้าใจา ย, ยังทุกข์ตลอดมันก็ยังทุกข์ตลอดไม่ว่าจะมีน้ามีน้อยมันก็ไม่เกี่ยวกันอย่าไปกังวลกับเรื่องการมีมากมีน้อย รักษาดีเท่ า, ท, าที่จําเป็นก็พอแล้วก็มารักษาใจให้มันสดไปตลอดไปกว่ารักษาให้นสงบเป็นธรรมด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่คือเครื่องที่จะรักษาใจให้สงบระงับจากความความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหึมม ง, ตงต่างๆได้ถ้าเรายูธรรมแล้วฉวนนี้แล้วไม่สามารถที่จะทําได้ เราได้ฟังคนที่สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาพุธอะไรไม่ต้องใช้สมาพุธอะไรแต่เรียนปัญญาเลยมันมันเป็นไปไม่ได้ยังยันขาดมันขาดัง ข, ขาตัใจยังกระซักซักเสื้อผ้าสโดยที่ไม่ต้องใช้น้าเนี่ยใช้สา่ผงเข้าไปแล้วใช้สายจะมีการะมังแล้วก็ไม่ต้องสายน้ําก็ได้เดี๋ยวผงมันจะซักผ้าให้หล่อนเป็นนานๆมั น, ต, นต้องมีน้ําด้วย มันต้องมีปัจจัยที่ครบบริบูรณ์มักแต่ก็มีสมาสมาธิภายสังขารต้องมีสิ่งสมาธิก็มีสิ่สมาธิปัญญาต้องนี้ให้ครบมันจะมีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ น, นักที่ว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองก็ไม่ใช่สมาธิก็เป็นสมาธิสมาธิเป็นความสงบความสงบจะไม่แปลง แต่ตนให้ตายเป็นปัญญาความฉลาดขึ้มนมาได้ความฉลาดนี้เกิดจากการคิจเห็นวิเคราะห์เหมือนกับที่เราทํางานเราก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของของตลาดของลูกค้าของราคาของอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้จับจับเอ่อเรื่อจับวิธีการเพื่อที่จะทําให้เราได้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการก็คือได้ผลกํไาไร ปรับแผนปรนั่นต่างๆตรงที่เคราะ์เดียไม่ใช่ว่าหนีเฉยเคยทำาะไรจะทาอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะปรับตัวของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้ก่อนเนาะเช่นค่าชใช้จ่ายบริษัทมันมากกว่ารายได้เ น, นี่ยแล้วอยู่ๆจะให้มันกลับเป็นตรงกันข้ามหรือเป็นเป็นรายได้แล้วก็ต้งหาวิธีจับค่ารายจ่ายลงแล้วก็หาวิธีก็ร า, ายรับได้มากมันเป็นยอดได้กํงาน ปัญญาก็เช mm. ่นเดียวกันปัญญาก็คือต้องการราสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างร่างกายเราเนี่ยเราท่้งที่อยู่มันมาตลอดเรายังไม่ยังไม่เห็นว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างจริงจังเลรู้อยู่แต่รู้แบบหลงๆลืมๆพอนื่ก็เหมือนกับไม่รู้พอไม่คิดเห็นมันแล้วมันก็หมือนจะไม่รู้เพราะมันทาตัวเหมือนทำมันไม่รู้ว่ามันจะตายกัน ถ้าคนนู้ว่าตัวเองจะตายนี่ก็ไม่ทําตัวอย่างนี้กันเราไปหาหมอแล้วหมอบอกมีเวลาหกหนึ่งคอยดูเลยจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยทำมือกันเป็นบ้ากันเลยเ <c oughs> ข้าวัดกันเป็นบ้ากันเลยตอนนั้นรู้ว่าต้องเ ต, ต้องตายเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สิรู้ว่าต้องกายแต่รู้สึกว่ามันกลนิดเดียก็เลยไม่ได้ไป ไปรื่ววานไปรไ ป, ไปจัดการทำเรื่องอรางนี้เราต้องพยายามคิดอยูเย่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่ยแล้วมันจะเกิดปัญญาแล้วมันทําได้เราเปลี่นตัวเปลี่ยนใจเหมือนะ <c oughs> ถ้าขึ้นชื่องบินก็บอกเครื่องนี้นี้นตอ้องตกแน่ๆนี่ยถ้าควรก็ตราล่มชืช่นชขึ้นไปอย่างนั้นไม่มีรายแม่ขึ้นไปโด ย, มมมดยไม่มีร่มชชีพเน แทนนี้ก็ไม่ไปละนี่นี่คือปัญญามันมันต้องพิจารณานี่จะพิจารณาเรื่องต่อเนื่องอย่างสมามเสมอต้องใจที่สงบเพราะใจได้สงบไม่กินเดรดยังไงทำงานกินเดรดมันก็จะลากไปให้คิดถึงเรื่องอื่นแทนคิดถึงว่านาเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องการหาความสุขเรื่องนี้เรื่องนี้ มันก็เลยไม่มีเวลาที่มันก็เลยลืมตายไปแต่ถ้ามีสมาธินะมันจะไม่มีตัวนี้มาคอยหลอกคอยล่อให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าไม่คิดมันก็จะนิ่งอยู่เฉยอย่างนั้นสมาธิแต่พอคิดมันก็จะคิดตามที่เราสั่งให้มันคิดถ้าคิดเรื่องเกิดแก่เสด็จตายมันก็จะคิดอยู่งนั้นพราอมันเห็นใครมันก็ว่าเกิดแก่เสด็จตายนะคนนี้ก็เกิดแก่เสด็จตายคนนี้ก็เกิดแก่เสด็จตายคนนี้ก็ดื่มน้ำลุนไฟ มันก็จะพิจรณาพิจรณาเนี้ไปเรื่อยๆแมันมันมันเห็นเห็นอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะมันเป็นเพียงแค่ดินน้าอยู่ใส่เลยเป็นผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามจุดสองมันมีในก้นในขอยูนนั่นที่ไหนเราไปให้ชื่อมันเองเหมือนกันเราเสื้อมาแล้เราก็ติดแผนฟ้าย่ายี่หอกุชชี่นี่ใส่เข้าไปควาจริงมันก็แค่เป็นเสื่อเท่านั้นเองมาถือจากโรงงานเดียวกัน แต่เราก็เอาป้ายไปติดใช่ไหมแล้วก็ไปนึดกับกท<ะ>ออี่ป้ายมีคู่ชื่อนะมีชั้นแนวนะพวกเราก็เป็นตัวละครเราก็เรียนการบวชบุรกรรมที่เราได้ทําเู่บุกรรมเป็นตัวผู้กากับให้เราได้มาเล่นบทต่างๆได้ร่างกายนี้มา ล, ละได้ามาเล่นบทเราตาละครก็มีบทไม่ เ, เหมือนกัน เล่นไปก็เริ่มไปแต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับบทนี้รู้ว่าขอให้รู้ว่าเราเป็นเพียงตัวละครและเรามีทางเลือกหมดได้ถ้าเราอยากจะเลือกท เ, เลือกเล่นเป็นพระกันก็ได้เล่นเป็นแม่ชีเป็นพิธีมี ก, กันก็ได้นั่นจําเป็นต้องเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเสมอแต่เรากว่าให้วินกรรมเป็นตัวกํากับบทของเราเอง คนฉลาดที่ได้ศึกษาเขาจะเขียนบทของเขาเ อ, องเพราะพุทธเจ้าก็ได้บทเป็นพระราชโอรสแต่ท่านไม่เอาท่านสืบหมดนั้นที่งเลยแล้วเขียนบทที่หมา่ขึ้นมาเป็นสมณโคตรมณะไปเป็นนักบวชไปแต่ออกบมดเลบบำเทนเพียรหกปีแล้วก็กลายเป็นพร ะ, ะอนุตถระอรหันต์ตัองมา2009เป็นศาสดาของโลกไปพวกนี้เขาเขียนบทของเขาเอาง เขาไม่ต่อให้บุญกรรมผ่าไปพวกเราก็ต้องตามรอยพระศาสนาตามรอยครูบาจารย์อยากล่อให้ไหลใจการกระแสอารมณ์อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะเที่ยวก็เ <c oughs> ที่ยวอยายใครมาชวนให้ไปเที่ยวกบไปเรื่อยรู้จับรู้จักคำว่าโน่บ้างเลย <c oughs> ดูผู้บากาจึงเทียมดูพระพุทธเจ้าดูพระสงฆ์เต่าเทียมจึงาทียท่านยินดีอะไรเช่นยินดีกับลูกเข็มตโน้นยินดีกับราบโน้นสลส้หรือว่าถ้ายินดีกับธรรมยินดีกับความสงบยินดีกับความนักน้อยสำรวยยินดีกับที่สงบสงัดที่ตืึนที่ที่ที่ตื่นที่เว้ ยินดีกับสียงยินดีกับสมาธิยินดีกับปัญญายินดีกับเมตตาตการอิคนนี่แนหะคือส่งที่เราควจะยินดีกันแต่เป็นยินดีกับกระเป๋าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆรองเท้าสวยๆมันไม่ได้เป็นจารนะณะเป็นที่เพื่อผู้ใจให้ยินดีกับสิ่งที่มันจะมาช่วยใจของเราให้ได้ผุดพ้นจากความเครขยดกงล ก็จอยมนดีการพระพุทธเจ้ายินดีาการครูบาอาจารย์ผู้รดนะขอให้พยายาทมทำนะวันนี้มานเลยคงจะจบแล้วมั้ แล้ว น, นอาจารย์ครับผมยังชอบสองสยัยนะถามว่าแต่เรื่องาาตุขัอย่างอุูบาอาจารยที่เราคิดว่าท่านก็พ้นแล้วแต่ยังมีน้ําตาให้เราเห็นเนี่ยเพราะเหตุอะไรที่จะเกิดธาตฐานให้มีน้ําตาได้ท่านเคยเคยได้ยินไหมว่านันทีมัมูลถล่มทาง้วนก็ แมันก็มันก็หน้าตาหลังๆมไม่ได้หลังเพราะความทุกข์ไม่ได้หลังเพราะความจากที่ลสหรื่องไรแต่มันเป็นธรรมสังเวชมันเหมือนกับว่ามันอมีมันมีความทราบซกับกับความจริงความสิ่งที่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้ที่เราถูกหลอกแล้วพองได้สัมผัสกับความจริงแล้วได้ได้รับผลคือความสุดใจ อันนี้ใหญ่งนี้มันก็ทําให้เกิดเกิดความธรรมะสามโมฆะแต่ใจใจไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้หลังนึนกาาาตาเพราะเพราะปีเพราะความทุกข์นะความโศมระยะความเศร้าโศกเสียใจอะไรเอาวอนอยนี้ที่เราเราโผล่เราให้กัน เวลที่เราเสื่อเสียสิ่งที่เรารักไปถ้าไม่มีเวลาที่จะสื่อเสียนี่ยังไม่มีเวลาที่ท่านรักแล้แต่แต่ทำมาสังเวเนี่ยมันมันําความมีน้ำหนักมากกว่าใจเท่าแต่ท่านก็ท่านท่านจะคุมมันไว้ก็ได้ไม่ต้องคิดท่านจะปล่อยมันก็ได้อันนั้หยดที่ท่านจะจะจะคิดต่มา บางท่านปล่อยให้ก็ปล um ่อยให้ให um ้มันชนะแต่างทามตามความจริงของเันแต่ถ้าไม่ต้องการเะปลอดก็ทำอย่างให้ให้มุ่งเสียฉยๆได้ไม่เป็นปัญหาอย่างเวลาที่พระพุทจ้าทรงแสดงแบบคันโดยนิทานก็มีภาพบรรลุที่ท่านก็แบบ่งน้ำตาแต่ถ้าไม่หลังตามเม่ตามไม่ตามเสียหัเสียใจนอะไรเอาว้เสีย การมันเห็น ไ, ได้เห็เนสัจธรรมความจริงที่กำลังความกรให้เราเห็นว่าเนี่ ย, ยคือความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ลองคิดดนะใจั น, น, น, นก็จะกระทันมันสังวขึ้นแต่มันไั่เมนแบบ ส, สมองสังเว ย, ย่างที่เรา ส, สามองสัเวชไปมันเป็นธรรมความจริงคือท่านจะขุมไว้ก็ได้ษท่าไม่ขุมไวก็ได้ษท่า มันไม่เสียหายเลยมัไม่จะมันไม่จะ ไ, ไ, ไปไปทำลายจิตใจแต่อย่าง้ดมันกลับเป็นความสุขไปและมันเป็นปิติสุขไป